ทุกเช้านะเมื่อเราทำวัดเราสาธยายมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะเจอคำถามซึ่งเมือเป็นการถามตัวเองว่าทำไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ่งนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได้นะถ้าเป็นคารวาดนะก็ก็จะกล่าวประโยคหนึ่งนะว่าจากทำในใจอยู่ จะปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกําลังคําว่าตามสติกําลังเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้ว่ายะถาสติยะถาพลังพวกเราก็า จ, จะสวดไปโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรนะจะมัมีมคํานึงที่ ค, คล้ายคําเนี้คือคําว่ายะถากรรมยะถากรรมแต่ฟังดูแล้วเนี่ยนะ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 ผลมันจะเป็นอย่างไรนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถึ่งสำคัญคือเราทำเราทำให้ดีที่สุดไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็ตามก็ให้มันเป็นการกระทำที่ดีถูกศีลถูกธรรมแต่แค่นั้นไม่พอนะถึงแม้จะเป็นการกระทำที่ถูกศีลถูกธรรมมันต้องเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่เรียกว่าใจเต็มร้อย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 อันนี้เราไม่ได้ทำด้วยใจเต็มร้อยนะทำด้วยใจแบแบบครึ่งๆึ่งกลางกลางนะคือคือห้าสิบห้าสิบหรือว่าสามสิบเจ็สิบสามสิบอยู่ที่การกระทำอีกเจ็ดสิบไปอยู่ที่ผลซึ่งยังไม่ออกมานะ น, นี่มันไม่ใช่วิธีการปฏิบัตินะของชาวพุทธนะให้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะเคยไปฝึกวาด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 เขียนหรือวาดได้วสวยงามนะที่วัามามหาวันก็มีอยู่ภาพหนึ่งท่านมอบให้ตอนที่ไปเยี่ยมท่านที่หมู่บ้านพรมเนาะโคราศภาพวาดนั้นเนี่ยบางบางภาพก็เป็นตัวสอนอย่างเดียวแต่บางภาพก็มีวงกลมนะซึ่งกลมสวยงามมากาชายหนุ่มคนนี้ก็ไปขอลองนะฝึกวาดภาพ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 จนลืมไปว่าสิ่งสาคัญกว่าก็คือความรู้ตัวการมีสติในปัจจุบันนะชื่อจริงการปฏิบัตินะแนวหลวงพ่อเทียนนี่ท่านไม่ได้เน้นเอาความสงบเป็นจุดหมายนะแต่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวในเรื่องสตินะจุดหมายเคือนนี้แต่แม้จุดหมายคือสติคือความรู้สึกตัวถึงเวลาปฏิบัตินะก็ต้องวางนะ ลืมไปซะก่อนนะแต่ขอให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดอยากจะให้รู้สึกตัวไม่ต้องคิดอยากให้มีสติตแต่ให้ให้มีความรู้สึกตัวลงไปใอ้ความอยากที่เป็นแค่ความคิดนะอยากจะมีส ต, ติอยากจะมีความรู้สึกตัวนั้ น, นเป็นความคิดให้ทำลงไปเลยนะก็คือให้มีความรู้สึกตัวนะให้มีสติตเมื่อนคนที่อยากกินนะอยากกินอาหารถ้ามันมี แต่ความอยาดนะั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นให้ลงมือทําเลยนะลงมือทําอาหารนะแล้วตอนลงมือทําเนี่ยก็อย่าไปสนใจว่าอาหารมันจะอร่อยไหมให้สนใจเพียงว่าทําให้มันดีที่สุดแค่แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมันออกมาดีเองนะอันนี้เราเป็นไปตามยถากรรมแล้วนะก็คือเป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้คือความตั้งใจนะแล้วไม่ให้ตั้งใจอ ย, อย่างเดียวนะ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 อันนี้เราว่าทําด้วยใจเกินร้อยนะที่ใจเกินร้อยเพราะว่าไปคิดถึงผลลัพธ์นะจะต้องวาดให้มันสวยนะต้องลืมไปเลยนะลืมไปเลยผลลัพธ์นะใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่กําลังทำนะเรียกว่าเต็มร้อยนะเอาหลันนเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยนะ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 ขณะแต่ละขณะถ้ามันจะเผลอบ้างมันจะหลงไปบ้างก็เป็นธรรมดานะเวลามันฟุ้งเนี่ยนะก็อย่าไปรังเกียจมันที่จริงคําว่าฟุ้งซานเนี่ยมันก็เป็นคําที่บ่งบอกถึงอคตินะเวลาใครบอกว่าโอ๊ยใจยมันฟุงรร้งซ่านเลอเกิดเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ชอบความฟุง้งซ่าน ที่จริงถ้าบอกว่าเออมันลักคิดนะอันนี้เนี่ยอาจจะดีกว่ามันเหมือนกับคนเนี่ยนะเรียกน้ำหลากว่าน้ําท่วมเวลาใครบอกว่านี่น้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบแต่คนสมัยก่อนไม่เรียกว่าน้าท่วมเขาเรียกว่าน้ำหลากนะน้ำหลากเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่รังเกียจนะ เขาก็เพียงแต่ปรับตัวให้อยู่กับน้ำหลากได้ก็คือยกบ้านขึ้นสูงนะแล้วก็แทนที่จะเดินก็ใช้เรือแต่พอสมัยเนี้เราเรียกปรากฏการณ์เดียวกันว่าน้ำท่วมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ชอบมันนะลดไปลำบากแล้วก็มันก็ท่วมบ้านด้วเพราบ้านเนี่ยนะสร้างเป็นบ้านตึกเป็นบ้านชั้นเดียวบางสองชั้นบางไม่ได้ยกสูง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 ความลักคิดเนี่ยมันเป็นธรรมดาเราไม่เรียกว่าความฟุ้งซ่านล้วปฏิบัติเราเรียกว่าความมันลักคิดมันเผลอคิดไปนะเราไม่ได้รังเกียจมันนะมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้นะการเจริญสติการปฏิบัติทำนามตามนายหลวงพ่อเทียนเนี่ยตัวรู้สําคัญมากเลยนะรู้ทั้งรู้สึกนะรู้สึกยกหมือก็รู้สึก หรือว่าทำไปก็รู้สึกตัวนะรวมทั้งเวลามันฟุง้งเวลามันมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีนะก็รู้อย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยมีมาให้เรารู้ไม่สงบก็รู้นะไม่ใช่ไม่สงบแล้วก็ไปรังเกียจมันไปสู้รบตบมือกับมัน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 นะและถึงแม้ว่าเขาทำโจทย์ไม่ได้เขาก็ได้รู้ว่าออเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงนี้นะมีโจทย์หลายข้อเนี่ยโจทย์ร้อยข้อทำผิดไปสักหกสิบข้อเนี่ยเขาก็ไม่เสียใจนะเขาได้รู้เขารู้ว่าเนี่ยเขายังมีจุดอ่อนตรงนี้เขาก็ไปกลับไปแก้ไขปรับปรุงทํครั้งต่อไป ไอ้ที่เคยผิดหกสิข้อก็เหลือผิดแค่สามสิบข้ อ, อก็รู้ว่ายังยังฝึกไม่พอก็ไปฝึกใหม่ไปเตรียมใหม่คราวนี้ร้อยข้อเนี่ยก็จะตอบผิดสักห้าข้อหรือว่าเจ็ดแปดข้อสําหรับนักเรียนที่เก่งเนี่ยเป็นนักเรียนจริงๆนะครัว่านักแปลว่าแปลว่าทำบ่อยๆนะนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนจริงๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากทุกอย่าง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 ได้ทําให้แจ้งขึ้นมาอ่ะชาวทุกันทํานี้นะหวังกรบ ค, ครับ